<groups> 50 t languages. 99 t y n t m b a Tombato. คำแสดงความเป็นเจ้าของชั้นทีวิบัติแมวของแฟนดิฉัน Nan nas nehi teya b i k u สุนัขของแฟนดิฉันนันนาสเนหิานานนัยของเล่นของลูกดิฉันนันนามักกะลาอาติเกเกลุ์นี่คือเสือ้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอดูนันนาสะโหดิโกียโกตุนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน อดูนันนาสห โ, โย o g i การนั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอดูนันนาสห โ, โย o g i y เคลสะกระดุมของเสื้อหายไปอังกีอินดากุนดีบิดุโหกิเดกุญแจรงรถหายไปแกเรจินาบีกัตเขยนาปัตตยากิเด คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียเมลดิการิยากณะนยันตระเกตติเดใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงออฮูดุกียเฮตตวรูยาลุดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรอวละเฮตตวรมนเกนานูเฮเกโฮกะเบคุบ้านอยู่ตรงสุดถนน มันเรัสติยาคนนยัลิเดเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรสวิตเซอร์แลนด์นะราชดานีอาเฮสเซเรนุหนังสือชื่ออะไรอ้อพุสตะดาเฮสเซเรนุลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรปั๊กกดะมันยวรมกกะลาเฮสเซเรน โรงเรียนของเด็กเดกปิดเทอมเมื่อไรมักกลิเกยยาวากินินดาชาลารเจ伊เดคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงวทยาลนูเบติมาดวาสมัยยายาวุดูเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรวัตถุสังกราหาอะเตเรดิรววสมัยยายาวุดู